ตียาถาพลังกันอยู่เนี่ยจะทําในใจอยู่ปฏิบัติตามใจตามอยู่นะตามกําลังเนี่ยมันต้องเปลี่ยนใหม่หเต็มกําลังนี่ไม่ได้ตามกําลังแท้ที่จริงท่านบอกว่าให้เจริญสตินั้นให้เป็นสติพละในศัพท์ท่านเน่ยนี่ท่านแปลเต็มที่ของท่านแล้วไงใชเอาสตินั้นให้เป็นสติพละพนนลลใช่ไหม สิริยัธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะได้มีเป็นพระไม่ใช่เป็นอินทร์ธรรมดาเนี่ยนั่นแหละคำว่าตามสติกำลังตัวนั้นเน่ที่จริงจริงๆก็คื อ, อทําทำสติให้เป็นสติที่เป็นพระให้มีกำลังไม่ใช่ปฏิบัติตามแบบว่าอย่างที่เราเข้าใจใช่ไหมที่จริงต้องกำกบับจับนี่ตอนนี้จะมาไปบรรยายที่ที่ที่เสีงยงม่ ก็จะบอกเพราะเนี่ยตรงนี้เป็นเหตุทําให้คนเอามาอ้างกันอยู่ทุกวันเนี้นะตามสติกําลังแล้วว่าโอ้ยยอมค่อยเป็นค่อยไปตามสติกําลังเพราะยอมเป็นคารวะเนี่ยก็สเสร็จเลยที่จริงเ้าให้ทําให้สตินั้นเป็นสติพละถ้าสติเป็นสติพลาเบียเ็จแล้วยังอื่นไม่ต้องพูดถึงเป็นพลาหมดเลย มีกำลังมากเราจะได้ไม่จะได้มีทอดถอนธุระใช่ไหมจะได้ไม่ทอดธุร ะ, ะ, ระเขาเรียกทอดธุระเข้าใจคำว่าทอดธุระไหมทอดธุระก็แปลว่าไม่ทำศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นพาลาังเขาเรียกทอดทอดทิ้งเหมือนเหมือนว่าทอดกริน่นนะ เขาใช้คำทอดทิศนี่ไหมคือว่ามีผ้าไปใช่ไหมก็คือไปทอดก็คือไปทอดทุลาให้พระท่านทำตนเองปรุงภาระตรงนั้นเลยนี่ทอดภาระคําว่าทอดทุละก็คือไม่ไม่ไม่ไม่เจริญภาระอีกแล้วนี่เขาเรียกทอดทุละหรือทอดกรถินทอดกรถินแปลว่าตัดภาระของตนเองเองทอดก็คือวางไว้ปรุงไว้วางไว้นั่นคืออาการกิริยาดีทอดเขาเรียกทอด ใช่ไหมภาษาไทยบางทีก็ต้องมาแคะแกะให้ดูเออเดี๋ยวนึงจะเข้าไปถึงอัธถของภาษาถ้างั้นเราจะไม่รู้ว่าเออคือวางยังไงคือทอดอยังไงต่อไปเป็นกิจของสง์ก็ต่อเนีย่ยคนทอดธุระทั้งหลายก็คือทอดอย่างงั้นะไม่เอาภาละไม่เอาธุระอะไรแล้วใช่ไหมไม่เอาคันถะไม่เอาวิปัสนาธุระแล้วจบเลยเขาห้ามทอดธุระ <c oughs> เขาให้ทอดกระถิน <c oughs> เป็นบุญ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 แต่ในนี้ก็ไม่บอกว่าจะมาจํามาจะไปอย่างเงี้ยจะเป็นไปตามลำดับเงี้ยมาจากสัญญาแล้วก็มาตันหาแล้วก็มากรรมแล้วก็มาการกระทําทางกายวาจาใจการกระทําทางกายวาจาใจในวิจิตเนี่ยโอ้โหที่นี้ยวิบากที่ได้รับวิจิตมากเลยวิจิตพิสดารมากเลยทีน่นี้ทีนี้มันวิจิตมาทั้งนั้นแล้วในสังสารวัฏเนี่ยแลว้วความวิจิตเหล่านั้นยังวิบากยังเหลือเต็มเพียบมาเลย ถ้ามีโรงงานเก็บได้นะเป็นโรงงานมือมาใหญ่กว่าคุณเขาสินเนลุนั่นคือโรงงานผลิตชิ้นส่วนภูกขัตัิย์ของแต่ละคนใหญ่กว่าภูเขาสินเนลุใหญ่กว่ า, า, ก, วาก็คือสรุปแล้วก็คือใหญ่กว่าดาวใหญ่กว่าโลกใบนี้ชิ้นส่วนที่เก็บก้าไว้เนี่ยนะเพราะในสังสารวัตนี่ทามานานจัด และเป็นชิ้นส่วนเอามาตะไม่เน่าอพร้อมที่จะพิกมาใช้ได้ตลอดเวลาเนี่ยนะผลิตได้ตลอดเวลาเขาบอกว่างั้นเรานานๆเราจะไปรับสตินะในขณะปฏิสันทีนะรับแต่ละครั้งแต่ละครั้งเขาจะบอกว่ายังเหลืออีกเยอะคุณเล่นไปเหอะอวตากว่างั้นเนี่ยเรายังมีชิ้นส่วนที่ประหลาดประหลาดให้คนอีกเยอะมากเนี่ย เราจะเอาแบบไหนอ่ะนะถ้าอย่างเงี้ยเราจะเห็นเราจะเห็นเราจะเห็นทุกเวลาในปัจจุบันเวลาพูดถึงทุกขศาสตร์เนี่ยธมาก็มาเริ่มมาพิพจารณาเนี่ยต้องพูดมุมนี้ต้องมาวิจัยมุมนี้งั้นมองไม่เห็นถ้าวิจัยขนาดวิจัยมุมนี้ก็ยังมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนเนี่ยแต่ถ้าหากมุมนี้ไม่เห็นก็ยังหาอุปมาอื่นไม่เจอแล้วอาจจะมีอีกนะที่มันอุปมาหยาบกว่า น, นี้เพราะเป็นอย่างนั้นจริง ก็ลองไปช่วยกันคิดก็แล้วกันวิจัยอื่นอันมาคิดได้แค่นี้ยตอนเนี้นะใครคิดคิดว่าเออจะมีสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่มาแคะแกะความรู้สึกของสัตว์นั้นโลกนั้นนั่นหรือว่าเราท่านทั้งหลายได้เห็นชัดเจนมากกว่านี้ได้สะดุง้งสะเทือน ก, ก็หาอุปมามาอันมาก็มองเห็นอย่างเนี้ยว่าเออโรงงานที่ผลิตทุกขสัตว์เนี่ยคือตันหาคือสมุทยัยที่บวกกรก ร, รมคือการกระทำทั้งหลายเบีเสร็จแล้วนะการกระทําวิจิตเรียบร้อยมาแล้วเพราะตันหานั้นวิจิต ทีนี้เป็นที่เกลี่ยเก็บถ้าเราจะมองถึงที่เก็บเนะี่ยใหญ่มัหืมามากใช่ไหมแล้วชิ้นส่วนเหล่านั้นล้วนจะเป็นชิ้นส่วนที่คงทนเลยเนี่ยนะได้เหตุได้ปัจจัยเมื่อไหรก็สวมปุ๊บทันทีเลยนี่นะเราก็ทํำคำใหม่กันไปเรื่อยๆทับถมนะคําว่าทับถมในที่นี้นก็คือโยนไว้โยนไว้ตลอดเลยนะโยนไว้โยนไว้ตลอ ด, ตลอดลแต่มันคนละส่วนกันนะส่วนบุญกัสบกส่วนบาป ก็คนละสุดก็ตรงเนี้ยใครจะเล่นกับวัตตะแล้วคนที่เห็นว่าสังสาระสุดที่จึงน่ากลัวขนาดในความเห็นประเภทนี้บริสุทธ์ได้ดยสังสารละจบเลยบริสุทธ์ได้ดยสังสารละเป็นไปไม่ได้มันจะมันบริสุทธ์เองไงจะบอกว่าครบแปดหมืนเปิดแปดหมื่นสี่พันหมากับแล้วบริสุทธ์เองเนีย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 ว่าไง น, นะมันเกิดจนเบื่อจนเพียรมาแล้วมันก็เบื่อมันก็หยุดเกิมดมันเองหนี่กลุ่มนี้คือกลุ่มสังสารและสุทธิกลุ่มพวกนี้พระเจ้าเป็นทิฏฐิที่น่ากลัวมากซึ่งปัจจุบันก็ก็ยังมีหลงเหลือให้เราศึกษาให้เราได้รู้ได้เห็นอยู่กลุ่มที่เห็นห ย, ยาบๆไม่ต้องไปพูดถึงอันนะงั้นนีกลุ่มทิฏฐิทั้งหลายนี่คือความวิวจิตต้องตั้หาเก่า สรุปแล้วก็คือตันหาเก่าสมุทรไทยเนี่ยนะสําเร็จแล้วได้แก่ตันหาที่สําเร็จในพบก่อนๆทั้งหลายเนี่ยทีนี้ทาําจักรสูให้ตั้งขึ้นเนาะแล้วก็สัตสัมภาระจักขคูให้ตั้งขึ้นนี่ก็ไปไล่ไปทุกทวาร น, นี่ทีนี้อันนี้ขนาดเราก็เริ่มเห็นว่าจักรคูนี่นะจักรคูทาวารเนี่ยเป็นทุกขสัตรย์อย่างนี้แล้วเนาะที่ไปพิจารณาต่อไปก็คือว่าโอ้ตันหาตัวนี้ตัวนี้เป็นจักรคู่พร้อมสัตสัมภาระตัวจักรคู่ประสาทเองนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ ตันหาเก่าที่เพาะเชื้อจักขู่ประสาทไว้อีกมากมายเหลือเกินเนี่ยนะในสังสารวัฏเนี่ยที่เราทํากรรมมาหมดเลย เ, ยเว้นมรรคกรรมเนี่ยนะสรบแล้วก็คือตาของพรหมเราก็ทําไว้แล้วตาของรูปรพรหมเนี่ยทําไม้หมดแต่กรรมเหล่านั้นเป็นอโหสิกรรมเออก็เลยสลายไปหมดเออนี่สลายเลยเนะเขาเป็นอโหสิกรรมหมดแล้วเพราะกรรมเหล่านี้เป็นมหากระตะไง เป็นมหาคตะเป็นคารุกรรมประเภทที่แปลกแปลกตรงที่ว่าไม่เหมือน ก, นกันกับกรรมที่เป็นคารุกรรมฝ่ายบาปเออคารุกรรมฝ่ายบาปเนี่ยไม่ยอมสลายเออประหลาดแท้ใช่ไหมแต่คารุกรรมฝ่ายบุญเนี่ย ส, ส, สลายเพราะเป็นอํานาจของกําลังฌานไงเอออานาจของกําลังฌานเนี่ยเป็นเป็นสถานภาพที่ไม่มั่นคงได้แค่อุปชาเวทนียกรรมเขาจะให้ผล อปรประไม่ให้เลยเห็นไหมเออเป็นกรรมที่ทำาพนี้จะได้ในพบถัดไปแค่นั้นเองถ้าไม่ให้ผลในพบถัดไปก็จะไปกลายเป็นหนหสิกรรมไปเหลือจะอัด